ไปเที่ยวที่หมู่บ้านครูดาบนอกกรุงเพราะที่นั่นมีงานประจำปีซึ่งคนทั้งหลายรู้ว่าจะต้องมีการประลองฝีมือดาบเป็นที่สนุกสนานและมีเวลาพอที่จะกลับทันก่อนประตูพระนครจะปิดครูดาบผู้นี้มีความสุภาพอ่อนโยนมีใจดีจนไม่น่าจะเชื่อว่าจะมีฝีมือดาบอันเยี่ยมยอดมีความว่องไวเข้มแข็งตรงกันข้าม กับลักษณะที่อ่อนโยนนั้นแต่ก็เป็นธรรมดาอยู่เองจะให้ว่องไวและมีกําลังเรี่ยวแรงเหมือนอย่างเมื่อสมัยเป็นหนุ่มอยู่ตลอดไปนั้นก็เป็นไปไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็สามารถสั่งสอนสิทธิ์ให้กําหนดรู้หลักเยนและกลวิธีเป็นอันดีครูดาบมักจะเพิ่มสอนสิทธิ์ทั้งหลายว่าการเรียนรู้วิชาดาบนี้ควรจะได้มีคุณธรรมกํากับเพื่อความเจริญมั่นคงต่อไป นั่นก็คือความไม่ลำพองจิตเรียนรู้วิชาอาวุธแล้วไม่เที่ยวหาเรื่องทะเลาะวิวาดกับคนทั้งหลายควรเป็นผู้สงบเสงี่ยมและอ่อนโยนไม่ยกตนของผู้อื่นหรือพูดอวดความสามารถของตนวิชาดาบที่เรียนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันตัวหรือป้องกันบ้านเมืองเมื่อมีใครมาขมเหงและข้อสาคัญคือทาให้ผู้เรียนรู้แล้วกลายเป็นความอ่อนโยนเรียบร้อย เป็นที่รักของคนทั้งหลายในเวลาทําพิธีสักการะครูอาจารย์เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อกันผู้ประสิทธิประสานวิชาให้นั้นครูดาบมักชี้แจงแจสิทธิ์ให้รู้จักครูสองท่านคือครูวิชาดาบกับครูผู้แนะอุปเทศในการใช้วิชาดาบกล่าวคือการแนะให้เป็นผู้สุภาพอ่อนโยนไม่ยกตนของผู้อื่น และไม่ขุมหิหงเบียดเบียนใครๆครูผู้แนะอุปเทศในการควบคุมจิตใจและมารยาทของผู้เรียนรู้ทั้งหลายนั้นครูดาพนมืออ้างพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่ณเจตวดารามกรุงสาวัตถีผู้สั่งสอนธรรมเพื่อสันติแห่งโลก แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าทั้งๆั้งที่ครูดาบเป็นที่รักใคร่เคารพของสิทธิและคนทั้งหลายเพราะมีทั้งความรู้ดีและความประพฤติดีเป็นเหตุจูงใจสิทธิให้พลอยเป็นคนดีไปตามก็จริงแต่บุตรชายของครูดาบกลับมีนิสัยโอบตัวชอบยกตนข่มผู้อื่นและฝืนคําสั่งสอนในเรื่องความประพฤติซึ่งท่านบิดาพ ร, ร่ำสอนอยู่เสมอบุตรครูดาบเชื่อแน่ ในฝีมือดาบของตนยิ่งนักทั้งเชื่อว่าตนคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการถ่ายทอดกลยุธทธ์แห่งวิชาดาบไว้อย่างสิ้นเชิงจากท่านบิดาก็ใครเล่าในอยุธยามหานครที่จะมีความรู้ความสามารถในวิชาดาบเสมอด้วยบิดาตนและเมื่อบิดาถ่ายทอดวิชาให้ตนสิ้นเชิงแล้วใครเล่าจะมีฝีมือเสมอด้วยบุตรของครูดาบได้แต่ท่านบิดา ก็ม่ได้สิ้นความพยายามในการตักเตือนบุตรผู้เป็นที่รักแห่งตนให้เป็นคนสงบเสงี่ยมไม่ลำพองในฝีมือและไม่ขมเหงเบียดเบียนใครๆบุตรครูดาบฟังคำสอนของท่านบิดาด้วยนึกแย้งอยู่ในใจเสมอว่าเมื่อไม่มีใครสู้เราได้แล้วเหตุฉนไหนจะต้องทำเป็นคนสงบคล้ายเกรงกลัวผู้อื่นแต่ก็ไม่ได้ออกปากคัดค้านประการใดความประพฤติของบุตรครูดาบบางครั้ง ก็เป็นไปนในทางก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่เมื่อเขาเคารพนับถือบิดาเขาก็ไม่ได้อาคาดจองเวรอะไรมักปรงกุงจิตใจในทางให้อภัยเพราะเห็นแจบิดาบ้างเพราะเกรงกลัวฝีมือบ้างในวันหนึ่งครูดาบได้เตือนบุตรของตนไม่ได้ข่าวว่าไปเกิดเรื่องทะเลาะวิวาสจนจะถึงกับทาร้ายร่างกายกับคนในพระมหาคนครว่าแม้พ่อ จะได้บอกได้สอนวิชาดาบจเจ้าทุกประการแล้วก็ไม่แน่ว่าจะหมดคนดีที่รู้วิชาดาบยิ่งไปกว่าเจ้าความเป็นผู้สงบเสงี่ย์การตั้งอยู่ในความอ่อนโยนอันเป็นคุณธรรมประจําวิชานี้ต่างหากจะรักษาและส่งเสริมตัวเจ้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ยั่งยืนนานแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังพ่อวันหนึ่งเจ้าจะได้รับบทเรียนจากผู้อื่นซึ่งเจ้าจะนึกถึง คำของพ่อว่าถูกต้องด้วยการลงทุนอาจมีราคาแพงยิ่งอาจจะเป็นเลือดและแผลอาวุธอาจจะเป็นน้ำตาหรืออาจจะเป็นชีวิตของตัวเจ้าเองบทครูดาบไม่ตอบแต่ก็นึกตอบในใจว่าใครหนอจะฝากแผลให้เจเราอยากพบเหลือเกินทั้งนี้เพราะตนแน่ใจว่าเป็นผู้ถอดความรู้ความสามารถจากท่านบิดาไว้โดยสิ้นเชิงไม่มีใครสู้ได้ บ่ายวันนั้นหมู่บ้านครูดาบเนื่องแน่นไปด้วยผู้คนซึ่งมาเพื่อคารวะครูดาบและเพื่อดูการประลองฝีมือของบรรดาศิษย์คนส่วนมากยอมนั่งลงกับพื้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนข้างหลังได้เห็นทั่วๆกันครูดาบไหว้ครูเสร็จแล้วก็ให้เสด็จแสดงฝีมือกันเป็นคู่ๆแต่เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเมื่อพลาดพลัง้งยึงให้ใช้หวายเส้นใหญ่ๆซึ่งทำจำลองขึ้นแทนดาบ แต่และคนพยายามต่อสู้และป้องกันตัวด้วยอาการอันดีไม่ซ้ำเติมหรือช่วยโอกาสเอาเปรียบในทางที่ผิดเมื่อฝ่ายหนึ่งเพลียงพล้าจึงเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายที่ได้ดูเพลงอาวุธและมารยาทของคู่ต่อสู้และบ่ายวันนั้นคู่ต่อสู้รองสุดท้ายมีบุตรของครูดาบกับสิทธิมือดีอีกผู้หนึ่งทั้งสองได้แสดงความสามารถอันพึงทัศนา ได้ความชมเชยแต่ฝีมือบุตรครูดาบสูงกว่าจึงเป็นอันจบลงเมื่อดาบหวหวดลงบนผ้าโพกได้สามครั้งเป็นอันกำหนดหมายให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้ไปมหาชนทั้งนั้นก็โห่ร้องชมเชยฝีมือทำความกระยิมยินดีให้ใจบุตรครูดาบเป็นอันมาก ส่วนคู่ต่อสู้สุดท้ายนั้นคนหนึ่งคือสิทธิของครูดาบที่มีฝีมือพอสมควรกับเปิดโอกาสให้มหาชนที่มาชุมนุมในที่นั้นผู้ใดก็ได้ที่รักวิชาดาบจะขึ้นไปแสดงฝีมือกับสิทธิครูดาบ mm hmm. เมื่อมาถึงคู่นี้ก็เป็นการสนุกสนานในเรื่องการค้นหาผู้สมัครใจขึ้นไปต่อสู้อันต้องเสียเวลานานพอสมควรกว่าจะหาใกลขึ้นไปต่อสู้ได้ ในที่สุดหลังจากการตระโกนจูงใจอยู่เป็นเวลานานจึงมีชายคนหนึ่งรูปร่างเตี้ยล่ำท่าทางเป็นคนมีความรักสนุกได้เข้าไปที่เวทีไหว้ครูดาบและพูดว่าเพื่ อ, อยังความรื่นเริงให้เกิดแจ่มมหาชนในที่นี้ตนจะขอทดลองฝีมือด้วยสิทธิครูดาบทั้งนี้มิใช่ธนงอ ง, งาอาจประการใดหากแพ้ฝีมือจศิทิครูดาบก็จะถือว่า เป็นการทำความบันเทิงให้มหาชนเท่านั้นครูดาบก็ยินดีและพอใจในการถ่อมตนของชายหน้าใหม่จึงประกาศแจ่มหาชนถึงความที่ชายหนุ่มผู้นี้กล่าวว่าต้องการยังความบันเทิงให้เกิดขึ้นมากกว่ามุ่งแพ้ชนะผู้ดูทั้งหลายก็ชอบใจชายร่างเตี้ยล่ำผู้นี้แท้จริงคือชาวขับเกวียนและทำหน้าที่ขับมา้าถือดาบสะพายธนู เป็นกองระวังหลังของขอบวนเกวียนชนิยะนายกองเกวียนผู้มีนามอันเป็นที่รู้จักและเคารพยำเกรงของคุณทั้งหลายบัดนี้ได้มาตั้งภูมิลําเนาในอโยธยามหานครตามพระราชบับัชักชวนของพระเจ้าสุรสีณเมื่อก้าวขึ้นสู่ป ร, ราทดลองฝีมือเพื่อประลองกับสิทธิของครูดาบนั้นชาวขับเกวียนได้ตรงเข้าไปไหว้ครูดาบก่อนแล้วขอขมาลุงหน้าถ้ามีพลาดพรั้งอะไร ซึ่งสิทธิของครูดาบก็ได้ไหว้ตอบและกล่าวตอบด้วยอาการอันดีมีเสียงเป่าเขาดังขึ้นอันเป็นสัญญาณให้ลงมือต่อสู้กันได้ทั้งคู่รำดาบไหว้ไปมาและเริ่มลองเชิงอย่างทีช่าของกันและกันเมื่อสิทธิของครูดาบเริ่มลงมือรุก ชาวขับเกวียนก็แสดงฝีมือรับโดยไม่ต้องถอยแต่เป็นการรับในลักษณะที่หาโอกาสตอบแทนได้เสมอพอต่อสู้ไปได้สักครู่หนึ่งครูดาบก็เริ่ม อ, อ่านฝีมือออกว่าสิทธิ์ของตนฝีมือเป็นรองชายผู้ถมตนคนนี้เสียแล้วเพราะวิธีฟันและจังหวะรุกรับแสดงว่ามีหลายอย่างที่แปลกจากวิธีของตนและประกอบกับชาวขับเกวียนเป็นคนมีใจเยือกเย็น ใช้ความคิดในการฟันด้วยชั่วเวลาไม่ช้าชาวขับเกวียนก็ฟันลงบนภาพโพกของสิทธิครูดาบได้ถึงสามครั้งซึ่งเป็นอนัญมติได้โดยสิทธ์ครูดาบเป็นฝ่ายแพ้และชาวขับเกวียนนั้นก็เข้าไปไหว้สิทธ์ครูดาบอีกเสียงโห่ร้องแสดงความพอใจและชมเชยของมหาชนได้เป็นไปอย่างผิดปกติตัวครูดาบมีความยินดีไม่ได้เสียใจในการที่สิทธิของตน เป็นฝ่ายพายแพ้เพราะได้เรียนมาแล้วและได้สอนมาแล้วถึงมารยาทและคุณธรรมของผู้ฝึกวิชาดาบให้รู้จักแพ้เป็นชนะเป็นจึงยืนขึ้นกล่าวชมเชยและมอบรางวัลคือดาบพร้อมทั้งฝักให้แต่เสียงโห่ร้องของมหาชน ดูเหมือนจะเป็นมีดกรีดหัวใจของบุตรครูดาบผู้มีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าการที่คนภายนอกมามีชัยต่อสิทธิของครูดาบนั้นเป็นการเสียเกียรติยศชื่อเสียงทำให้คนทั้งหลายดูมิ่นฝีมือดาบสนักนี้ได้ความรู้สึกเจ็บแชนและและอายใจได้ทำให้ลืมคุณธรรมของนักดาบเสียสิน้นลืมแม้กระช่งว่าบิดาของตนเป็นผู้ควบคุมและเป็นประธานอยู่ในที่นั้น ทำกลางการโห่ร้องร่วมยินดีในชัยชนะของชาวขับเกวียนและความรู้สึกนิยมในน้ำใจอัน ง, งามของครูดาบนั่นเองบุตรของครูดาบได้ขึ้นไปบนเวทีกล่าวประกาศด้วยเสียงอันดังและขอแจ้มือด้วยชาวขับเกวียนนั้นและว่าถ้าตัวแพ้จะขอมอบรางวัลให้50สิบขาดปณะนะเสียงโห่ร้องหยุดลงทันทีต่างเพ่งความสนใจมาที่บุตรครูดาบ แล้วอย่างที่ไม่ได้มีใครนึกฝันเสมอหนึ่งเป็นการตบหน้าอย่างแรงต่อผู้ที่ละเมิดบรริญาตของสำนักดาบบิดาของชายหนุ่มผู้มีปกติเป็นครูดาบที่ใจดีอ่อนโยนแทบว่าใครจะจูงให้ทำอะไรก็ได้ตามชอบใจนั้นได้ร้องตาวาดบุตรของตนด้วยเสียงอันดังว่าเราจะอนุญาตให้ต่อสู้กันไม่ได้สำนักดาบแห่งนี้จะยอมแพ้หรือยอมล้มเลิกดีกว่า ที่จะยอมทำลายมารยาทและระเบียบแบบแผนของการประลองฝีมือเมื่อเจ้าธนงตนว่าเจ้ามีฝีมือดีก็อาจแยกไปตั้งสำนักของเจ้าเองได้ตามชอบใจพูดแล้วชายชราก็สั่งเลิกงานและเดินกลับไปในบ้านด้วยความรู้สึกเสียใจว่าบุตรไม่ได้รักษาหน้าของบิดาซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีคนเคารพนับถือบ้าง ด้วยความรู้สึกทั้งเจ็บทั้งอายและด้วยความมุทะลุตามวิสัยของคนหนุ่มบุตรครูดาบคิดไปตายเอาดาบหน้าไหนไหนท่านบิดาก็ประนามตนในท่ามกลางมหาชนเช่นนั้นแล้วตนจะอยู่ไปใหญ่เล่าให้คนทั้งหลายเข้าพากันเยาะเ ย, ะเยะ้ยปีมือดาบที่ตนแน่ใจว่าเป็นที่เยี่ยมก็มีอยู่เชนไหนจะกลัวอดตายคิดดังนั้นแล้วจึงตรงเข้าไปในบ้านรวบรวมข้าวของส่วนตัว เพื่อจะออกจากบ้านไปแต่มีบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเดาเหตุการณ์ได้ตลอดจำเดิมแต่ได้เห็นครูดาบตวาดบุตรของตนว่าต่อจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบุคคลผู้นี้ได้จับตาดูความเคลื่อนไหวของบุตรครูดาบตั้งแต่เดินออกจากที่ประลองฝีมือเข้าไปภายในบ้านและเจ็บข้าวของเพื่อจะออกเดินทางจากบ้านนั้นเมื่อบุตรครูดาบเงยหน้าขึ้นมองไปทางประตู ก็ได้เห็นบุคคลผู้นั้นซึ่งยืนน้ำตาคลออยู่ด้วยความรักเขาวิ่งตรงเข้าไปกราบแทบเทา้าร้องไห้สึกสื่ออื้นพร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่ท่านมารดาลูกจำเป็นจะต้องจากไปลูกจะอยู่ดูหน้าใครในตำบล น, นี้ไม่ได้แล้วลูกมิได้ลืมพระคุณเลยถ้าไม่ตายเสียอย่างไรก็คงได้สนองพระคุณและคงได้พบหน้ากันอีก ลูกต้องขอลาตั้งแต่บัดนี้เสียงของชายหนุ่มขาดเป็นห้วงห้วงด้วยความเสียใจและอะไรรักท่านมารดาแม้ไม่ต้องกล่าวก็คงนึกเห็นได้ว่าท่านมารดาจะเศร้าโศกสักเพียงไรเมื่อตนได้มีพื้นความรู้สึกตื้นตันน้ำตาคลออยู่แล้วที่เห็นบุตรจัดเตรียมเครื่องใช้เพื่อเดินทางจากไปยิ่งเมื่อบุตรวิ่งเข้ามากอดเท้าสึกเสื้ออื้นแสดงความรักความอารย และความจงรักภักดีด้วยความตื้นตันซึ่งมีอยู่เดิมก็เพิ่มทวีขึ้นกลายเป็นการร้องไห้คร่ำครวญกอดบุตรปากก็พร่ำพรรณน า, นาขอร้องว่าอย่าได้ทิ้งแม่ไปเลยเมื่อได้เห็นบุตรแสดงความตั้งใจแน่วแน่จะจากไปให้ได้เขายิ่งรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเชือดเฉือนหัวใจออกนามบุตรที่รักแล้วก็ฟุบหน้าสิ้นสติไปเพราะสุดที่จะทนต่อสู้กับโทมนัท ซึ่งท่วมทนอยู่ในภายในได้บุตรครูดาบตกใจเทียนมันดาแน่นิ่งไปรีบเข้าประคองเรียกเพื่อจะให้ขานแต่เมื่อมีเสียงขานตอบจึงรีบอุ้มไปที่เตียงทำการนวดและหาน้ำหมาลูบหน้าจนมันดาค่อยลืมตาและฟื้นอาการสิสติแล้วจึงกราบแทบเท้าออกไปจากบ้านด้วยความรู้สึกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นตายอย่างไร ก็จะขอไปตายเอาข้างหน้ากล่าวถึงครูดาผู้อ่อนโยนในยามปกติแต่เข้มแข็งดุดันที่บุตรของตนไม่รักษามรารยาทของสำนักดาเมื่อทราบว่าบุตรชายของตนออกไปจากบ้านแล้วก็ได้แต่นิ่งขรึมไม่พูดว่าประการใด แต่ในใจนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าสลดและรันทดแท้จริงครูดาบเป็นคนที่มีความรักบุตรมากคนหนึ่งจึงพยายามฝึกสอนวิชาดาบและตักเตือนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่ดีของผู้เรียนวิชาดาบเมื่อบุตรจากไปเช่นนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงและ อ, ะอาลัยอวรยิ่งนักผุดลุกผุดนั่งอยู่หลายครั้งในเมื่อต้องต่อสู้กับความรู้สึกของบิดากับบุตรอยากจะออกเที่ยวตามหาแล้ว งอนงอ้อขอให้บุตรกลับมาอยู่ดังเดิมแต่แล้วความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งก็เหนียวรังไวถ้าไม่เกิดอาการกระสับกระส่ายเคร่งครึมและไม่อยากพบหน้าใครจึงหลบเข้าไปนอนกายหน้าผากอยู่ในห้องมีหลายครั้งที่อยากตะโกนร้องออกมาด้วยความรู้สึกกัดกลุ้มเพื่อเป็นการระบายความอึดอัดในภายในแต่ก็ข่มใจไว้ไม่ได้แสดงอาการเช่นนั้นออกมา เมื่อภรรยาครูดาบเข้าไปต่อว่าหาว่าโหดร้ายต่อบุตรเกินไปครูดาบก็ยอมรับด้วยดีว่าตนไม่สามารถจะสะกดกลั้นความโกรธไว้ได้แท้จริงหาได้ตั้งใจจะขับไล่บุตรของตนให้ออกไปจากบ้านไม่การที่บุตรของตนได้ละเมิดคำสั่งสอนและกล้าทำการหักหารต่อหน้าคนทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องที่เหลืออดเหลือทนจริงๆครันแล้วคนทั้งสองก็ปรึกษากัน ในทางที่จะจิตตามรับบุตรของตนกลับมาอยู่ร่วมด้วยต่อไปมารดาบิดานั้นเป็นผู้ให้อภัยใจบุตรธิดาอยู่เสมอบางครั้งอาจจะดุดา่าหรือลงโทษเข่นตีบ้างแต่ก็ไม่หวายห่วงใยรักใคร้และพร้อม ที่จะให้อภัยไม่ผูกโกรธพร้อมที่จะอ้าแขนโอบกอดบุตรแล้วรับขวัญกอดจูบบนรอยไม้เสมือนหนึ่งพลอยบอยาทเจ็บไปด้วยที่หัวใจมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่อ่านเหตุการณ์ออกได้ดีไม่แพ้ภริยาของครูดาบเมื่อได้เห็นครูดาบตวาดบริพาธบุตรของตนในที่ประลองฝีมือแต่คนคนนี้อ่านเหตุการณ์ไปได้ไกลกว่าเขารู้ว่าบุตรของครูดาบอย่างไร ก็ต้องออกจากบ้านและถ้าเขาชวนไปอยู่ด้วยบุตรครูดาบนี่แหละจะเป็นกําลังให้การของตนคิดไว้สําเร็จเกิดผลดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพอบุตรครูดาบเดินพ้นออกมาจากหมู่บ้านสักครู่หนึ่งก็พบชายผู้หนึ่งยืนรอยอยู่ด้วยอาการยิ้มแย้มบอกความเป็นมิตรเขาตรงเข้ามาทักทายชักชวนให้ไปอยู่ด้วยอ้างว่ามีบ้านเรือนกว้างขวางพร้อมทั้งจะอุปการรั ให้รับความสะดวกสบายด้วยประการทั้งปวงบุทครูดาบซึ่งเป็นเสมือนนกซึ่งบินไปโดยไม่มีจุดหมายสุดแต่ปีกจะพาไปทางทิศใดเมื่อมาพบผู้ที่คอยต้อนรับชักชวนให้มีที่อยู่อาศัยทั้งยังแสดงน้ำใจดีเอื้อเฟื้อรับอุปการะให้ความผาสุขสบายอันเปรียบเสมือนพบต้นไม้ใหญ่ที่มีจริงก้นกานสาขาและใบดกอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้นกนั้น ก็ผลงจับที่ต้นไม้นั้นทันทีชายผู้นั้นคือนักเลงสกาผู้ต้องการหาคนดีมีฝีมือไว้เพื่อประโยชน์มิใช่ทางสกาเท่านั้นแต่เพื่อประโยชน์ทุกอย่างที่นักเลงผู้ไฝ่ทุจริตจะพึงต้องการรอยแซ้ซึ่งนักเลงสกาได้รับยังเป็นเสมือนหนึ่งรอยในหัวใจซึ่งเมื่อมองเห็นครั้งใดก็ให้นึกอาคาดพยาบาท ผู้ซึ่งตนไม่รู้จักชื่อนั้นอยู่เนืองนิดเขากัดฟันแสดงอาการโกรธแค้นอยู่เสมอมาบ้านของนักเลงสกาซึ่งนับว่าใหญ่โตในหมู่บ้านนอกอโยธยามาหานครด้านบุรพานั้นได้กลายเป็นสำนักดาบอีกสำนักหนึ่งซึ่งจัดขึ้นภายหลังที่บุตรครูดาบมาอยู่ด้วยไม่กี่วัน มีคนของนักเลงสกาเข้ารับการฝึกฝนเพลงดาบอย่างขมักขม่นมีสนามอันได้ล้อมรั้วไว้ด้วยเสื่อลำแพนเพื่อป้องกันมีคนภายนอกรู้เห็นทั้งนี้เพื่อปกปิดข่าวการเตรียมตัวเพื่องานสําคัญซึ่งกําหนดหมายไว้นักเลงสกาพยายามส่งคนเที่ยวสืบสาะทั้งภายในและภายนอกพระมหาคนครเพื่อรู้ว่าชายหนุ่มพร้อมด้วยบริวาร ที่ปราบตนได้นั้นคือใครมีนิวาสถานอยู่แห่งไรแต่ก็ยังสืบไม่ทราบเพราะแม้จะส่งคนไปถามนายประตูพระนครว่ามีใครเข้าออกพิเศษในเวลาค่ำคืนที่เกิดเรื่องนั้นบ้างก็ได้รับคำปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นความสงสัยของนักเลงสกาพุ่งไปที่พวกชาวขับเกวียนซึ่งย้ายภูมิลาเนามาอยู่ใหม่ตามพระํารัดชักชวนของพระเจ้าสุรสนะ จึงพยายามส่งคนสาะคนให้รู้ที่ตั้งบ้านเรือนของคนเหล่านั้นตลอดมาข้างบุตรครูดาบก็มีพื้นความพยาบาทในชาวขับเกวียนซึ่งเป็นต้นเหตุให้ตนต้องออกจากบ้านบิดาเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วเมื่อมันอยู่ร่วมด้วยนักเลงสกาผู้มีเรื่องเจ็บแน้นและสงสัยพวกชาวขับเกวียนเช่นเดียวกันจึงกลมเกลียวปรึกษากั น, นเรื่องแจแครมีการซ่องสมผู้คนอย่างลับ เพื่อทำการใหญ่ต่อไปในวันหน้านักเลงส ก, กาได้พยายามไปที่โรงแฝกนอกเมืองเพื่อคอยดูชายหนุ่มกับพวกแทบทุกคืนนอกจากนั้นยังได้เรียมผู้คนที่ฝึกวิชาดาบไว้ดีแล้วให้ประปนอยู่ในโรงแฝกนั้นทั่วไปในราตรีวันหนึ่ง เมื่อประตูพระนครปิดแล้วแต่ก็ยังมีคนค้าและผู้เดินทางจากต่างเมืองเพิ่งมาถึงเป็นอันมากโรงแฝกซึ่งเป็นที่จำหน่ายอาหารเป็นที่พักและเป็นโรงสกาก็เต็มไปด้วยผู้คนมีทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านนอกเมืองทั้งคนเดินทางคณะของนักเลงสกาพยายามสังเกตคนแปลกหน้าในที่นั้นอย่างทีท้วนแม้ในภายนอกซึ่งเป็นที่ผูกมาไว ก็มีคนยืนดูห่างๆแสงไฟจากโคบใต้และประทีมน้ำมันที่จุดรุ่งเรืองในโรงแฝกนั้นสว่างพอจะทำให้เห็นสถานที่ภายนอกบริเวณภายนอกได้พอสมควรสักครู่หนึ่งมีปีเท้ามา้าดังมาแต่ไกลแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่ขี่ม้าเข้ามาในบริเวณนั้นเมื่อก้าวลงและผูกมาแล้วก็นั่งที่โขนไม้ใกล้เคียงนั้น ไม่เข้าไปภายในโรงแฝกก้กมหน้าเขียดินบ้างียนหน้าขึ้นมองไปในอากาศบ้างคล้ายกับไม่สนใจในเรื่องอะไรเลยถัดจากนั้นไม่นานนักมีคนแปลกหน้าขี่ม้ามาอีกสามคนลงจากม้าแล้วก็เดินเข้าไปในโรงแฝกต่อมาก็มีคนแปลกหน้าทยอยกันมาอีกห้าคนผูกม้าแล้วก็เดินเข้าไปในโรงแฝกเช่นเดียวกัน ชายเหล่านั้นกระจัะจายะจรยปนไปกับกลุ่มคนในที่นั้นไม่ได้อยู่รวมเป็นกลุ่มแบบคนเดินทางทั้งหลายนักเลงสากาได้ทราบความเป็นไปนั้นจากคนของตนที่เตรียมไว้สอดแนมก็ดีใจนักเพราะเข้าใจว่าอย่างไรก็คงเป็นชายหนุ่มคณะเดิมซึ่งทําความเจ็บอายให้จ้ตนมาแล้วเป็นแน่แท้จึงเลี่ยงออกมาภายนอกพร้อมได้บุตรครูดาาและบริวารอีกไม่น้อยกว่าสิบคน รันแล้วคบใต้ก็โผงแสงขึ้นณนะลานดินอันกว้างภายนอกโรงแฝกหลายแห่งได้มีการกู่ร้องและเรียกขานคนทุกคนในโรงแฝกให้ออกมาชุมนุมในบริเวณนั้นเมื่อคนทั้งหลายพากคนออกมาดูเหตุการณ์โดยมากแล้วนักเลงส ก, กาก็ประกาศขึ้นทันทีว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังหลายวันมาแล้วได้มีคนผ่านมาทําร้ายข้าเพเจ้าณนะโรงแฝกนี้ ข้าพเจ้าได้รอเวลามันนานแล้วบัดนี้ได้เชิญสหายของข้าพเจ้าพร้อมด้วย ร, ร่วมใจให้เตรียมตัวออกมาแสดงฝีมือกับคนผ่านผู้นี้ไปในคืนวันนั้นจะเป็นการต่อสู้เป็นคู่คู่ตัวต่อตัวโดวยวิสัยของคนกล้าบัดนี้คนของข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะใช้ดาบต่อสู้กับทุกคนที่รู้ตัวว่าตัวเองใช่หรือไม่ที่ควรกล้าออกมาจากชุมนุมนี้ เพื่อแสดงฝีมือกับคนของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอประกาศเป็นครั้งที่หนึ่งให้พวกที่ทำร้ายแล้วหนีไปในคืนวันนั้นจงก้าวออกมาเงียบไม่มีเสียงใครโต้อตอบมีแต่เสียงซุบซิบของพ่อค้าคนเดินทางและชาวบ้านบัดนี้ข้าพเจ้าขอประกาศเป็นครั้งที่สองให้คนขาดเหล่านั้นจงออกมาสู้กันให้คนทั้งหลายชม แม้ครั้งที่สองก็ไม่มีใครโต้อตอ บ, บพระพเจ้าขอประกาศเป็นครั้งที่สให้ออกมาถ้ายังเงียบอยู่ข้าพเจ้าจะให้คนข้าพเจ้าลากตัวออกมานักเลงสกาพูดแล้วมองไปรอบๆแต่ก็ไม่มีใครโต้อตอบตามเคยนอกจากเสียงซุบซิบของผู้ยืนดูทั้งหลายนักเลงสกายืนชาทาอยู่อย่างนั้นหลายครั้งก็หามีผู้ใดโต้อตอบไม่จึงร้อง ดีแล้วเมื่อมีคนสู้ข้าพเจ้าจะให้สายของข้าพเจ้าลากตัวออกมากล่าวแล้วจึงหันไปทางบุตรของครูดาบและบริวารให้ช่วยกันตามหาตัวผู้ที่ควรต่อสู้ซึ่งหลบหน้าอยู่ชายคนหนึ่งถูกกระชากตัวออกมาที่สนาม ในลักษณะงานงกตกใจยกมือไหว้ขอชีวิตพร้อมทั้งอ้างว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยตนเป็นคนเดินทางจากต่างแดนเพิ่งมาถึงในหัวค่ำวันนี้จริงๆเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ผู้ที่ตนประสงค์ก็ผลักชายนั้นอย่างแรงเสเข้าไปในหมู่ชนขณะที่คนทั้งหลายตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์เฉพาะหน้านั้นก็มีเสียงเพลงร้องขึ้นอย่างดังเพลงนี้เป็นอินทร ا วิเชียนฉันอันไพเราะ แต่เหน็บแนมเสียดแทงหัวใจนักเลงสกายิ่งนักผู้ร้องได้ร้องซ้ำสองครั้งสามครั้งด้วยเสียงอันทุม่มและกระแทกในบางตอนอย่างตั้งใจทำไมเล่าเพลงนี้จะไม่เสียดแทงหัวใจของนักเลงสกาในเมื่อมีความหมายเปรียบเยว่าหม้อเต็มไม่ส่งเสียงเลยหม้อพร่องตังหกที่ส่งเสียงอยู่เนืองนิดอันแสดงว่าผู้อวดตัวนั้น เป็นผู้ไม่ค่อยมีอะไรดีมากนักคนที่มีอะไรดีเขามักไม่อวดตัวทันใดนั้นผู้ร้องเพลงก็ถูกกระชากแขนออกไปกลางสนามให้คนทั้งหลายเห็นตัวเป็นคนมือเปล่าหัวเราะร่าเริงคล้ายขบคันอะไรเป็นอย่างมากเมื่อถูกกระชากออกไปให้คนทั้งหลายเห็นแล้ว ก็ยังคงหัวเราะร้องเพลงซ้ำอยู่อย่างนั้นอีกเป็นการแกล้งเสียดแทงหัวใจนักเลงสกาอย่างใจเย็นนักเลงสกาตรงก็ไปเงื้อมือจะพฤดสลายใบหน้าของผู้ร้องเพลงนั้นแต่ก็มีเสียงตะโกนออกมาจากกลุ่มชนว่าคนคนนี้เป็นนักฟ้อนและนักร้องเพลงเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อเย็นนี้เองท่านจะพฤดรลายเขาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อปากของเขาในสี นักเลงสกากราวแล้วก็ฟาดฝ่ามือลงไปแต่นักฟ้อนนั่งลงอย่างรวดเร็วนักเลงสกาจึงเซธลามาประทักคนที่ฉุดมือนักฟ้อนมาจากที่ร้องเพลงเบื้องหลังและก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็หันไปสนใจกับสิ่งใหม่คือเสียงฟีเท้ามา้าและเห็นผู้ขับขี่จำนวนมากประมาณ30ถึง50ได้มาสู่บริเวณนั้นมีเสียงถามมาจากหัวหน้า ที่อยู่บนหลังม้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือก็มีผู้หนึ่งตอบไปว่ากําลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทถึงกับจะฆ่าฟันกันผู้เป็นหัวหน้าจึงตะโกนถามใครเป็นทหารขอให้เดินออกไปกลางวงแล้วให้ชี้แจงว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครบ้างหรือไม่ผู้ก้าวออกไปเก้าคนและตอบว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรด้วยเพียงแต่เย็นดูอยู่เฉยๆพร้อมกันนั้นก็ชี้มือไปที่นักเลงสากา และบุตรครูด่าว่าเป็นผู้ท้าทายผู้คนให้ออกมาประลองฝีมือด้วยนายทหารกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นทหารไม่ได้ทะเลาะกับชาวบ้านทั้งยังตั้งอยู่ในความสงบส่วนผู้ที่ท้าทายคนอื่นให้ออกมาสู้รบด้วยนั้นอาจมีความขุนใจอะไรอยู่เราขอไกล่เกลีย่ยให้สงบกันเพียงนี้ถ้าสนใจวิชาเพลงอาวุธก็ควรจะหัดไวแล้วเข้าแข่งขัน ในสนามพระมหานครคราวคัดเลือกผู้มีฝีมือไม่ดีกว่าหรือการแข่งขันก็จะเปิดขึ้นในเดือนเสษที่จะมาถึงนี้แล้วถ้าข้อความที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ท่านทั้งหลายเห็นด้วยก็ขอให้กลับเข้าไปในโรงแฝกหรือกลับเข้าไปพักผ่อนนอนที่บ้านของตนต่อไปข้อความที่นายทหารกล่าวนั้นมีใครบางคนจะไม่พอใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้าน กลุ่มชนที่มุงดูโดยรอบจึงแยกย้ายกลับไปตามที่ของตนสักครู่หนึ่งทหารรักษาภายนอกพระนครเหล่านั้นก็พากันไปยังที่อื่นนักเลงสกาและบุตรครูดาบแม้จะไม่สมหวังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้แต่ข่าวเรื่องการแข่งขันคัดเลือกผู้ชำนาญเพลงอาวุธซึ่งเป็นข่าวใหม่และข่าวใหญ่สาหรับตนก็เป็นที่น่าพอใจอยู่จึงชวนบริวารกลับสู่เรือน เพื่อปรึกษาหารือกันต่อไป